Natural, immunity. natural Natural immunity. 6วิธีของการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคภูมิแพ้สวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกๆ ท, ท่านนะครับพบกับผมคําผังพงทิพธินตัวแทนผู้จําหน่ายบริษัท ฟ, ฟูร้ายประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็มาพบกันผมก็จะนําเอาเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านกับโรคภูมิแพ้นะครับ คุณจะสามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านโรคภูมิแพ้ได้อย่างไรนะครับระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานไวเกินเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้เพื่อให้ร่างกายของคุณเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดในการที่จะจัดการกับโรคภูมิแพ้นะครับคุณจึงควรที่จะดูแลระบบภูมิคุ้มกันของคุณและนี่คือตัวอย่างของคำแนะนายอดนิยมที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะอยู่กับโรคภูมิแพ้ได้นะครับ ข้อที่1การบริโภควิตามินซีวิตามินซีเป็นพันธมิตรที่ดีของระบบภูมิคุ้มกันมาช้านานโดยจะสนับสนุนความสามารถของร่างกายในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ใช้ในการต่อสู้กับเชื้อโรคคุณลองกินแครอทผลส้มผลกีวีบริโภคขิงบูเบอรี่หรือว่ากล้วยเพื่อที่จะได้ปริมาณของวิตามินซีที่เพิ่มขึ้นนะครับข้อที่2ดื่มน้าให้เพียงพอเรามักจะได้รับคาแนะนาให้ดื่มน้ามากขึ้น นั่นเพราะว่าน้ำมีความสําคัญต่อสุขภาพของเราในหลายๆด้านนะครับแต่คุณรู้หรือไม่ว่าน้ํานั้นนะครับมีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยการดื่มน้ําที่เพียงพอของคุณในแต่ละวันจะช่วยสนับสนุนการสื่อสารในระบบภูมิคุ้มกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ข้อที่3คลายเครียดความเครียดความเครียดสามารถที่จะยับยั้งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้นะครับผลที่ตามมาจะชัดเจนยิ่งขึ้นหากคุณมีความเครียดในระยะยาวหรือว่าความเครียดที่เหลือรังมันสามารถที่จะลดทอนการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณได้ถึง 70% เลยทีเดียวนะครับข้อที่ 4. ประเมินคุณค่าอาหารของคุณประเมินคุณค่าอาหารของคุณเป็นที่ทราบกันดีมานานแล้วนะครับว่า การบริโภคอาหารที่มีหลากหลายสีนั้นจะมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันเป็นอย่างยิ่งมันคือกุญแจสำคัญในการที่จะส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของเราดังนั้นการที่คุณจะบริโภคอาหารควรที่จะคำนึงถึงสีสันของอาหารแต่ต้องเป็นสีสันจากธรรมชาตินะครับอาหารที่หลากสีคือเพื่อนที่ดีของภูมิคุ้มกันข้อที่5ดูแลระบบย่อยอาหารของคุณ คุณผู้ฟังครับเซลล์ภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่ของคนเราจะอาศัยอยู่ในลำไส้ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่คุณจะรักษาสภาพแวดล้อมของลำไส้ของคุณให้เหมาะสมต่อการดํารงอยู่ของพวกแบคทีเรียที่ดีและนั่นก็จะช่วยส่งเสริมระบบการย่อยอาหารของคุณให้มีความแข็งแรงตามไปด้วยนะครับและข้อที่ ลองอาหารเสริมอาหารเสริมมีมากมายหลายชนิดในท้องตลาดที่ช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีส่วนผสมเป็นต้นว่าสังกะสีวิตามินดีและก็อาหารเสริมสําหรับภูมิคุ้มกันโดยตรงนะครับนี่จึงเป็นวิธีที่ดีเป็นพิเศษในการที่จะดูแลระบบภูมิคุ้มกันของคุณนะครับขอแนะนำนะครับโฟไลไสภูมิคุ้มกันธรรมชาตินี่คือภูมิคุ้มกันธรรมชาติโดยตรงที่ผลิตจากผลิตผลของเซลล์การจดจาของระบบภูมิคุ้มกันหรือที่เราเรียกกันว่าแมมโมรี่เซล โฟเลตภูมิคุ้มกันธรรมชาติอุดมไปด้วยตัวอย่างของเชื้อโรคมากมายเมื่อคุณรับประทานเข้าไปมันก็จะไปยึดติดอยู่กับเซลล์ของภูมิคุ้มกันของคุณและจะทําหน้าที่เปลี่ยนเซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณให้กลายเป็นเซลล์การจดจาหรือแมมบรีเซลล์ขึ้นมาทันทีนะครับเซลล์การจดจําหรือเซลล์ภูมิคุ้มกันธรรมชาตินั้นมีความสําคัญต่อการป้องกันโรคภูมิคุ้มกันธรรมชาติมีความสําคัญอย่างมากกับการป้องกันโรคของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันธรรมชาติคือวัตถุดิบในการที่จะสร้างแอนติบอดีไว้สู้กับเชื้อโรคที่บุกรุกร่างกายนะครับยิ่งมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติมากเท่าไหร่นะครับระบบภูมิคุ้ม ก, กันของคุณก็จะตอบสนองต่อเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วมันสามารถที่จะ ป้องกันโรคชนิดต่างๆให้กับคุณได้ด้วยนะครับเ mm hmm. ซลล์จดจําหรือเซลล์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติกับการเกิดขึ้นของโรคภูมิแพ้เป็นยังไงภูมิคุ้มกันธรรมชาติคือตําราของการทํางานในระบบภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันจะรับรู้วิธีการทํางานจากภูมิคุ้มกันธรรมชาติ ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่กําลังมีความทุกข์ทรมานกับโรคภูมิแพ้หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองอยู่นะครับถ้าคุณสามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติได้ภูมิคุ้มกันธรรมชาตินั่นแหละจะเริ่มกระบวนการในการที่จะสร้างเซลล์ยับยัง้งไม่ให้ภูมิคุ้มกันทางานไวเกินไปนั่นหมายความว่าคุณจะได้หายจากโรคภูมิแพ้นั่นเองนะครับคุณสามารถที่จะสั่งซื้อฟอไรต์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติได้ในเว็บไซต์นี้เลยนะครับสอบถามเพิ่ ม, เ ต, มเติมจากเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกที่เป็นเจ้าของ เพจนี้ได้เลยนะครับหรือว่าคุณต้องการอยากจะร่วมเป็นทีมงานผู้จําหน่ายต้องการอยากจะมีรายได้จากเพจวิทยุออนไลน์นะครับคุณก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ในการเป็นตัวแทนโฆษณาแค่แชร์คุณก็มีรายได้ถึงจะยังไม่ได้ขายคุณก็มีรายได้เข้ากระเป๋ามาร่วมงานกันนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังนะครับช่วงนี้ผมก็ขอจบไ้เพียงเท่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในช่วงต่อไปช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ